อภิธรรมภาชนีอัทถังชิกขวาระสัจจะสี่คือหนึ่งทุกข์ทุกสองทุกขสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกสามทุกขานิโรธความดับทุกสี่ทุกขนิโรธถ้าขาไม่หนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บรรดาสัจจะสี่นั้นทุกขสมุทัยเป็นไนตัณหานี่เรียกว่าทุกขสมุทัย ทุกเป็นไนกิเลสที่เหลือสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศนลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอารวะสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอารวะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอารวะสภาวธรรมที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุก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 มักมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นบรรดามักมีองค์แปดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกขปะเป็นไนความตรึก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 นับหนึ่งในมร์นี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นไนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากกายทุจริตสามการไม่ทำการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งกายทุจริตสามสัมมากัมมันตะอันเป็นองค์มร์นับหนึ่งในมร์นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะเป็นไนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากมิจฉาชีพการไม่ทำการเลิกทำการไม่ลุ่งละเมิดการไม่ล้ําเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพสัมมาอาชีวะอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจ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 สมาธิสำโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาสภาวะธรรมที่เหลือสัมยุญด้วยทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาทุกขสมุทัยเป็นไนปัญหาและกิเลสที่เหลือนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือ กุศลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขนิโรดเป็นไฉนการละอันหาและกิเลสที่เหลือนี้เรียกว่า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 สัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไม่นีปปิปทาสภาวะธรรมที่เหลือสัมปยุทธ์ด้วยทุกขานิโรธคาไม่นีปปิปทาทุกขสมุทัยเป็นไนตัณหายิเลที่เหลือและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือนี้เรียกว่าทุกขสมทุทัยทุกขเป็นไงผู้สนลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 นี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาสภาวะธรรมที่เหลือสัมบุญด้วยทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาทุกขสมโหทัยเป็นไนตัณหากิเลสที่เหลือสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขสมโหทัยทุกขเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ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 นี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือสัมพยุด้วยทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาทุกขสมุทัยเป็นไนปัญหากิเลสที่เหลือสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขเป็นไน วิปาาแข่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิปาาแข่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขนิโรธเป็นไงการละตันหาละกิเลสที่เหลือและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือละกุศลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและละสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือ ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขานิโรธทุกขานิโรธคาไม่หนีปฏิปทาเป็นไฉนพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงังอาจจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์แปด คือสัมมาทิชฌ์ละถึงสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาสภาวะธรรมที่เหลือสัมยุญด้วยทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาปจัจจางคิกรวาระสัจจะสี่คือหนึ่งทุกขทุกสองทุกขสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกสามทุกขนิโรธความดับทุกข์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 วิปากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นปริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิปากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขานิโรธเป็นไนะการละตัณหาจะได้นี้เรียกว่าทุกขานิโรธทุกขานิโรธาคาไม่นีปฏิปทาเป็นไนภะิกษุในธรรมวิไนนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตะทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์ห้าเพือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาส ม, มาธิก็เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดําริสัมมาสังกัปปะอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะเป็นไน การปรารุความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่อในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาสภาวะธรรมที่เหลือสัมปยุทธ์ด้วยทุกขานิโรธาคาไมนีปฏิปทามันดาสัจจะสีนั้นทุกขสมุทัยเป็นไฉนะสภาวะธรรมที่เหลือสัมปยุทธ์ด้วยทุกข า, า, า, านิโรธคาไมนีปฏิปทา บรรดาสัจจะสี่นั้นทุกขสมุทัยเป็นไนะตัณหากิเลที่เหลือสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขสมทุทัยทุกข์เป็นไนวะิบาก์แห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ สภาวะธรรมที concept, not dream, which, dressing, ls, Line, ่เป็นกริยาไม่เ so ป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็น so วิปากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขนิโรธเป็นไนการละตัณหาและกิเลสที่เหลือและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือและกุศลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและละสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขนิโรธ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 สัมมาสติและสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาสภาวะธรรมที่เหลือสัมปยุต ด, ด้วยทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาสภาวะสังขาเหเก ว, วาระสัจจะสี่คือหนึ่งทุกขทุกสองทุกขสมุทยัยเหตุเปิดแห่งทุกสามทุกขนิโรธความดับทุกข์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 วิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอสุวะสภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขานิโรธเป็นไนการละตันหาเสียได้นี้เรียกว่าทุกขานิโรธทุกขานิโรธทคาไม่มีปฏิปทาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระ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 ทุกขนิโรธเป็นไนะการละตัณหาละกิเลสที่เหลือละสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือและกุศ ล, ลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและละสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขานิโรธทุกขานิโรธทากษไม่มีปฏิปทาเป็นไนภะิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระ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 ปุชกะอริยสัตวสคือ 1. ทุกขอริยสัตว์อริยสัตว์คือทุกของทุกขสมุทัยะอริยสัตว์อริยสัตว์คือเหตุเกิดแห่งทุกสามทุกขนิโรธอริยสัตว์อริยสัตว์คือความดับทุก f o u ทุกขนิโรธคารมินิปฏิปทาอริยสัตว์อริยสัตว์คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบรรดาอริยสัตว์สอริยสัตว์เท่าไรเป็นกุศล เท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤิเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งเตะกะมาตะกาวิสัชนาหนึ่งกุศลเติะกะวิสัชนาสมุทยาสัตว์เป็นอกุศลมักสัตว์เป็นกุศลนิโรธาสัตว์เป็นอัพยกฤิทุกขสัตว์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิก็มี เวทนาถูกกวิสัชนาศัจระสองที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขเวทนาก็มีนิโรธาสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาทุกขสัตว์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุดด้วยสุขเวทนาสัมปยุดด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาก็มีสามวิปากะวิสัชนาสัจจะสองเป็นเหตุให้เกิดวิปากนิโรธสัตว์ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากทุกขสัตว์ที่ e. loh. เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี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 แต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานก็มีห้าสัง ก, สกิเลติตกะวิสัชนาสมุททยสัตจิเลตทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของจองิเลตสัจจะสองจิเลตไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของจิเลตทุกขสัตที่กิเลตทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของจิเลสก็มีที่จิเลตไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของจิเลตก็มีห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 มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มี 7. ปีติติกราวิสัชนาสัจจะสองที่สหรโคด้วยปีติก็มีที่สหรโคด้วยสุขก็มีที่สหรโคด้วยโอเบคาก็มีนิโรธาสัจกล่าวไม่ได้ว่าสหรโคด้วยปีติสหรโคด้วยสุขหรือสหรโคด้วยโอเบคา ทุกขัสัตที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรค ต, ด, รคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรฆด้วยอุเบกขาก็มี 8. ทัศนติกกวิสัชนาะสัจสองไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาสมุทยาสัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มี ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามข้มีทุกขสัตว์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีเกทัศนะเหตุถตกกะวิสชนาสัจจะสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามสมุทยะสัตว์ทีท่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มี ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีทุกขสัตว์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรและมรรคเบื้องบนสามก็มี 10. อาจิยคามิเตกาวิสัชนาสมุทัยสัตว์เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติมรรคสัตว์เป็นเหตุให้ถึงนิพพานนิโรธาสัตว์ ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทุกขสัตว์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสิเอ็ดเศรษฐกิจกวิสัชนามรรคสัตว์เป็นของเศขาดุคคลสัจจะสามไม่เป็นของเศขาดุคคลและเสขาดุคคลสิองปริตัติจกวิสัชนา สมุทยสัตว์เป็นปริตะสัจจะสองเป็นอปปมานะทุกส <a movie> <RPG> ัตย์ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหาคตาก็มีสิปริตารมณะเด็กะวิสัชนานิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้มรรคสัตว์มีอปปามะนะเป็นอารมณ์สมุทัยสัตว์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหาคต์เป็นอารมณ์แต่ไม่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี ที่ก <PTSD> ล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์หรือมีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีทุกขสัตว์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี 14. คิน่ขาติกกะวิสัชนาสมุทยศาตร์เป็นชั้นต่ำ สัจจะสองเป็นชั้นปราณีทุกขสัจที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มี 15. นิจชาตตาติ ก, กะวิสัชนานิโรธสัจไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นมักขสัจมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสัจจะสองที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มักคารมณติ ก, กะวิสัชนา นื้อทศัตท์รับรู้อารมณ์ไม่ได้สมุทยาศาตร์กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีมรรคศัพท์ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีเท่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีทุกขศัพท์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์หรือมีมักเป็นอธิปดีก็มีสิเจอุปนนติกะวิสัชนาศัจะสองที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนิโรธศาสตร์กล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอนทุกศสตร์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสิปอตีตติกกวิสัชนาชาจะสามที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิโรธาสัตย์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันสิเกอตีตารมณติกกวิสัชนานิโรธาสัตย์รับรู้อารมณ์ไม่ได้มรรคสัตย์กล่าวไม่ได้ว่า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 นิโรธสัตว์เป็นภายนอกตนสัจจะสามที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มียี่สิอ็ดอชตาระมณะเถระวิสัชนานิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้มรรคสัต์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สมุทัยสัตว์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี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 จ้าเจสามเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ทุกศาสตร์ที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี 2. ทุกขามาถึงกาวิสัชนา หนึ่งเหตุทุกข์จกะวิสชนาสมุทัยศัสตร์เป็นเหตุนิโรธศัตร์ไม่เป็นเหตุศาสตร์สองที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีศาสตร์สองมีเหตุนิโรธศัตร์ไม่มีเหตุทุกขศาตร์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีศาสตร์สองสัมปยุทธ์ด้วยเหตุนิโรธศัตร์วิปยุทธ์จากเหตุทุกขศาตร์ที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธ์จากเหตุก็มี สมุทยะศาสตร์เป hmm. ็นเหตุและมีเหตุนิโรธาสัจกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมักสัจที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีทุกสัจที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสมุททยะศาสตร์เป็นเหตุและสัมพยุจด้วยเหตุ นิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุหรือสัมยุญด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมร k s สัตว์ที่เป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุก็มีที่สัมยุญด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีทุก ksam สัตว์ที่เป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุก็มีที่สัมยุญด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุหรือสัมยุญด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี นิโรธศาสตร์ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสมุทยาศาสตร์กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุมักศาสตร์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีทุกศาสตร์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ หรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสองจุลันตระทุกกะวิสัชนาสัจจะสามมีปัจจัยปรุงแต่งนิโรธาสัตว์ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสัจจะสามถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรธาสัตว์ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัจจะสามเห็นไม่ได้ทุกขสัตว์ที่เห็นได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ก็มีสัจจะสามกระทบไม่ได้ทุกขสัตว์ที่กระทบได้ก็มี ที่กระทบไม่ได้ก็มีศัจจสาวไม่เป็นรูปทุกขสัจที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีศัจจสองเป็นโลคิยะศัจจสองเป็นโลกุตระศัจจสี่จิตบางดวงรู้ได้ศัจจสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้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 สมุททยาสัตว์เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะทุกขัสย์ที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสมุททยสัตว์เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่า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 สมุทยะัตว์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะทุกขสัตที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญญชนะโกจกกวิสัชนา สมุทยศสัสตร์เป็นสังโยชน์สะจัสรองไม่เป็นสังโยชน์ทุกขศาสตร์ที่เป็นสังโยกก็มีที่ไม่เป็นสังโยกก็มีสัจัสรองเป็นอารมณ์ของสังโยชน์สะจัสรองไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สมุทัยศาสตร์สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์สะจัสรองวิปยุทธจากสงังโยชน์ทุกขศาสตร์ที่สัมปยุทธด้วยสังโยกก็มีที่วิปยุทธจากสังโยกก็มีสมุทัยศาสตร์เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสงังโยชน์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 ทุกขศาสตร์ที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุด้วยสังโยชกก็มีที่สัมปยุด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุด้วยสังโยต์หรือสัมปยุด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยตก็มีจัจจะสองวิปปิยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์สมุทัยศาสตร์กล่าวไม่ได้ว่าวิปปิยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์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 คันธะโคจักกวิสัชนาสมุทยาศสตร์เป็นคันธะสัจจะสองไม่เป็นคันธะทุกศาสตร์ที่เป็นคันธะก็มีที่ไม่เป็นคันธะก็มีสัจจะสองเป็นอารมณ์ของคันธะสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของคันธะสัจจะสองวิปยุจจากคันธะสัจจะสองที่สัมปยุจด้วยคันธะก็มีที่วิปยุจจากคันธะก็มีสมุทยาศสตร์เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะ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 สัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและ iento, สัมปยุทธ์ด้วยคันทะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะทุกขสัตที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีสัจจะสองวิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ จัตจสองที่วิบยุทธจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีเที่กล่าวไม่ได้ว่าวิบยุทธจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิบยุทธจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีหกถึง8โภคะโคจกาธิวิสัชนา ส ม, สมุทัยศัตร์เป็นโอคะเป็นโยคะเป็นนิวรสัจจะสองไม่เป็นนิวรทุกขสัตว์ที่เป็นนิวรก็มีที่ไม่เป็นนิวรก็มีสมัจจะสองเป็นอารมณ์ของนิวรณสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของนิวรสมุทัยศัสตร์สัมยุญด้วยนิวร์สัจจะสองวิยุญญาตจากนิวรทุกขสัตว์ที่สัมยุญด้วยนิวรก็มีที่วิยุญญาตจากนิวรก็มี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 หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ทุกประสัทรที่เป็นนิวรณ์และสัมปะยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสัจจะสองวิปยุทธจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สมุทยศาสตร์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ หรือวิปยุจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ทุกขสัตว์ที่วิปยุจักนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9. ประมาสะโกจักวิสัชนาสัจัสมไม่เป็นปรามาตทุกขสัตว์ที่เป็นปรามาก็มีที่ไม่เป็นปรามาก็มี สัจจะสองเป็นอารมณ์ของปรารมาสสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของปรารมาสสัจจะสองวิปยุจจากปรารมาสสมุทัยศาสตร์ที่สัมปยุจด้วยปรารมาสก็มีที่วิปยุจจากปารมาสก็มีทุกข์ศาสตร์ที่สัมปยุจด้วยปรารมาสก็มีที่วิปยุจจากปรารมาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุจด้วยปรารมาสหรือวิปยุจจากปรารมาสก็มีสมุทัยศาสตร์กล่าวไม่ได้ว่า เป็นปรามาตรและเป็นอารมณ์ของปรามาตรห ร, notes, รือเป็นอารมณ์ของปรามาตรแต่ไม่เป็นปรามาตย์สัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตรและเป็นอารมณ์ของปรามาตรหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตรแต่ไม่เป็นปรามาตยทุกขสัจที่เป็นปรามาตรและเป็นอารมณ์ของปรามาตรก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตรแต่ไม่เป็นปรามาตก็มีสัจจะสองวิปยุจจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต สัจจะสองที่วิปยุจจากปรามาแต่เป็นอารมณ์ของปรามากก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากปรามาแต่เป็นอารมณ์ของปรามากหรือวิปยุจจากปรามากและไม่เป็นอารมณ์ของปรามากก็มีสิมหันตระทุกกะวิสัชนา สัจจะสองรับรู้อารมณ์ได้นิโรธาสัตว e, ์ร mm. ับรู้อารมณ์ไม่ได้ทุกขสัตว์ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีสัจจะสามไม่เป็นจิตทุกขสัตว์ที่เป็นจิตก็มีที่ไม่เป็นจิตก็มีสัจจะสองเป็นเจตสิกนิโรธาสัตว์ไม่เป็นเจตสิกทุกขสัตว์ที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีสัจจะสองสัมพยุด้วยจิต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 นิโรธาสัตว์ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทุกขสัตว์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีสัเจสองเกิดพร้อมกับจิตนิโรธาสัตว์ไม่เกิดพร้อมกับจิตทุกขสัตว์ที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีสัจจสองเป็นไปตามจิตนิโรธาสัตว์ไม่เป็นไปตามจิตทุกขสัตว์ที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มี สัจจะสองรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานนิโรธาสัตว์ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทุกขัสัตว์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีสัจจะสองรัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเปิดพร้อมกับจิตนิโรธาสัตว์ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเปิดพร้อมกับจิต ทุกขัสัตที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีสัจจะสระกคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตนิโรธัสัตไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตทุกขัสัตที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตก็มี ที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจ es. ิตก็มีศัจจานเป็นภายนอกทุกขัสัจที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีศัจจานไม่เป็นอุปาทายรูปทุกขัสัจที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีศัจจานกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือทุกขัสัจที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิยึดถือก็มี ที่กล่าวันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี 11. อุปาทานโคจกะวิสัชนาะสมุทัยสัตว์เป็นอุปาทานสัจจะสองไม่เป็นอุปาทานทุกสัตว์ที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสัจจะสองเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองวิปยุจจากอุปาทาน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 ที่สัมปยุด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุด้วยอุปาทานหรือสัมปยุ ด, ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสัจจะสองวิปปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองที่วิปปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานท หรือวิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี